อย่าส่งใจไปทางอื่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีปรัปรจิ ต, ตวิชาญาณทรงรู้วารจิตของบุคคลอื่นพระองค์มีอาสาญานุสายายญาณ ทรงรู้อัธยาศัยหรือว่าสนามบา ร, รมีของบุคคลในว่าเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งมรรคผลของบุคคลผู้ที่มาฟังมานั่งอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์แล้วนั่นน่ะ นั้นแหละพระ อ, องค์จึงทรงแสดงอนุุพิกถาแล้วก็ทรงแสดงให้ขรือหัดฟังไม่ได้ทรงแสดงให้บรรปชิตนี่ก็พึ่งเข้าใจความมุ่งหมายของอนุบุพิกถาเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในครั้งนั้นครั้งแรกก็ทรงแสดงแก่ พยศกุลบุตรนั่นเองเลยเพราะว่าพยศกุลบุตรนี้ท่านเป็นสุคุมารชาตเป็นลูกของมหาเศรษฐีในเมืองพาราณสีมีปราสาทอยู่ตั้งสามหลังในสามฤดูเหมือนเหมือนกับพระพุทธเจ้า ก็ด้วยอานาจบุญวัฒนาสนาที่ท่านในบาเพ็ญมาแต่อเนกชาติมันมาเต็มบริบูรณ์แล้วจึงบันดาลให้ท่านไม่ยินดีในการเสวยการมาสุขสมบัติเหล่านั้นเลยทรงพิจารณาเห็นการมาสุขสมบัตินั้นว่าเป็นของวุ่นวายเป็นเรื่องแต่มีแต่เรื่องขัดข้องมีแต่เรื่องวุ่นวาย ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเมื่อมันเกิดความรู้สึกขึ้นในใจอย่างนี้แล้วในคืนวันหนึ่งก็จริงได้หาโอกาสหนีออกไปจากปราศาสตเหล่านั้นก็ด้วยอำนาจบุญวาสนาบรารมีนั่นแหละเดินบนไปที่นี้วุ่นวายโน้อที่นี้ขัดข้องเน้อ เดินไปแล้วก็บนไปพอไปใกล้ที่ประทับของพระศาสดาซึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤทายวันนั่นแหละเมื่อพระองค์ได้ทรงฟังเสียงของยศคุณระบุบบนมาอย่างนั้นพระองค์เจ้าพระรง์ตรัสตอบว่าดูก่อนยศคุณระบุรที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง ท่านจงมาแล้วจงนั่งลงเราจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อยศคุณบุตรได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ทรงก็ดีอกดีใจมากก็ถอดรองเท้าแล้วก็ถอดสะดาที่สวมอยู่บนศีรีสะออกไป แล้วก็นั่งกราบพระพุทธองค์ลงไปเรียบร้อยเมื่อนั้นพระองค์เจ้าก็ทรงแสดงอนุบุพิกถาอนุบุพิกถานมีอยู่ห้าข้อถึงหนึ่งทานกถาว่าด้วยเรื่องการให้การบริจาคทานสองศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธ 3. สักขะกถาว่าด้วยสวรรค์อันเป็นผลของการให้ทานและรักษาสินใหบริสุทธินั้น 4. ทรงแสดงกามาทินวะกถาว่าด้วยเรื่องโทษของกามคุณ กรรมคุณนี้จะเป็นกรรมคุณของมนุษย์ก็าตามเป็นกรรมของเทพเจ้าเหล่าเทวาใดๆก็าตามล้วนแต่มีโทษทั้งนั้นแหละลนวันนี้ก็ห้าในคำมานิสังสกถาทรงแสดงอานิสงส์แห่งการออกจากกรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั้น สุดท้ายก็ได้ทรงแสดงอริยสัจธรรมทั้ง4ี่จบลงยศกุลบุตรก็ได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งตระ ล, ลึกตลอดชีวิตเมื่อปฏิ ญ, ญาณตนเสร็จแล้วก็ได้ขอบวชกับพระาศาสดา พระองค์ก็ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกไปทรงตรัสว่าเอหิภิกขุบุสัมปดาท่านจงเป็นพึกสุมาเถิดธรรมวินัยเราตรัสไว้ดีแล้วจงประพฤติพรมจรรย์เพื่อความสิ้นไปจากทุกข์โดยชอบเถิดพอพระองค์เจ้าตรัสเท่านี้จบลงบริขารแปดอันเป็นทิพย์ก็เรื่อนลอยมา สวมเอายศกุลระบุทันทีผมเผาหนวดเขาใดก็ปลิวไปหายไปบบนี้ก็เลยได้ชื่อใหม่เพิ่มเติมเขวีวว่าพระยศกุลระบุเข้าไปแล้วนิวิสัยของท่านผู้มีบุญมากเป็นอย่างนี้ในในการที่ได้เกิดร่วมพระพุทธเจ้าและเมื่อได้ออกบวชอย่างนี้ ท่านไม่ได้เอาบริขารอะไรติดตัวไปเลยเมื่อมีศรัทธาอยู่ในป่ากก็ขอบวชอยู่ในป่ากก็องค์ก็ทรงพระอนุ ญ, ญาตให้บวชเป็นทิกยขุได้ด้วยพระวาจาดังกล่าวเหล้วาริขันเป็นทิพย์ก็เลื่อนลอยมาสวมเอาเลยไม่ใช่แต่พระยศกุลบุตรเท่านั้นแม้พระสาพวกองค์อื่นถ้าลงว่าพระศาสดาทรง รัดเรียกว่าจงเป็นพิกขูกมาเถิดเท่านี้แล้วก็เป็นอันว่าบริขารแปดอันเป็นทิพย์ก็เลื่อนลอยมาทันทีแหละแต่ถ้าพระ อ, องค์พิจารณาดูว่าคนผู้นี้ตั้งแต่อดีทชา น, นหนหลังไม่ได้ให้อัฐ บ, บริขารเป็นทานมาอันทานอย่างอื่นนั้นได้ให้อยู่แต่ว่าไม่ได้ให้อัฐ บ, บริขารเป็นทานอย่างนี้นะ่ยขนแห้ง ทานดังกล่าวนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแก่คุณระบุผู้นี้เมื่อพระองค์ทรงทราบอย่างนี้แล้วก็ทรงแนะนำให้ไปหาบริขารแปดสะก่อนแล้วจึงมาขอบวชใหม่เป็นอย่างนั้นแต่ท่าว่าพระองค์ได้เหยียดประหัดออกเรียกว่าเอหีพิกขุอุปสัมปดาแล้วเป็นนั้นว่าผู้นั้นมีบุญแท้ผู้นั้นได้อัดได้ให้ทานอัธบริขารมาแตชาตก่อน ผลแห่งทานนั้นก็จกมาปรากฏในปัจจุบันนั้น <c oughs> เช่นอย่างพยศกุะบุตรดังกล่าวแล้ว <c oughs> พระพุทธองค์ทร ง, สงแสดงเรื่องทานนั้นคือว่าทรงแสดงถึงเรื่องความเป็นผู้ที่ไม่ให้เห็นแก่ตัวนี่เมื่อหากว่าเป็นคนมีบุญหนักสักใง ร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเข้าของอย่างนั้นแล้วก็อะ่าไปเห็นแต่ความสุขส่วนตัวพึงเฉลี่ยความสุขส่วนตัวนั้นให้แก่คนยากจนคนแค้นบ้างอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นความดีของผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายเป็นคุณธรรมของผู้เป็นบัณฑิตแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงว่า ธรรมดาผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้เพียรไปด้วยเมตตาการุณาก็ย่อมไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นย่อมสำรวมกายวาจาของตนด้วยดีไม่ให้ไปกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้เมื่อพระ อ, องค์เจ้าทรงแสดงมาถึงบทนี้ก็แสดงว่า เป็นผู้สํารวมในศีลนั่นเองแหละความมุ่งหมายไอ้ผู้ฟังก็ย่อมรู้ได้ก็ย่อมเป็นผู้มีศรัทธามั่นในศีลลงไปไม่พยายามรักษาเจตนาในใจของตนไว้เสมอว่าไม่ไม่ให้มีเจตนาคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลย เมื่อบุคคลได้มาบำเพ็ญทานการกุศลพร้อมด้วยการวิรัตละเว้นจะบาปาโทษโมนทินต่างๆดังกล่ามานั้นเช่นนี้แล้วก็ย่อมจะได้รับอานิสงสะผลทั้งในปัจจุวันและเบื้องหน้าในปัจจุวันนี้ก็เป็นพูดมากไปด้วยบริษัทบริวารมิตรญาติสหาย ไม่มีใครแสดงตนเป็นศัตรูเลยเพราะว่าเป็นผู้มีใจคอว่วงขวางไม่ตันีในสมบัติเข้าของที่ได้มาแบ่งสรรพันส่วนให้คนยากคนจนไปเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีใครคิดอิจฉาเบียดเบียนเลยก็ย่อมอยู่ด้วยความเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัย อันนี้เป็นานิสง์ในปัจจุบันซึ่ซึ่งมองเห็นได้ชัดๆเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในสวรรค์ย่อมได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ทำไว้ในชาตินี้โดยไม่ต้องได้ทำไร่ไถนาไม่ได้ทำการค้าขายเหมือนอย่างมนุษยโลกอันนี้บุญกุศลอ น, นิหักเนลมิตร สมบัติพัะนฐานต่างๆให้ตามต้องการเมื่อพระ อ, องค์ทรงสแสดงอานิสงส์ผลแห่งทานศิลป์เป็นการฟอ ก, กจิตของยศคุณระบุนั่นแหละให้ขาวสะอาดเหมือนกับสบู่หรือว่าผงซักฟอกสำหรับซักฟอกผ้าคอนที่มัวมองด้วยคุ่นละอองทุเรีให้ผ้านั้นขาวสะอาดดี นี่ชั้นใดข้อปฏิบัติคือทานศีลและอนิสงแห่งทานศีลเหล่านี้ยศกุณบุตรได้ฟังแล้วก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานคิดว่าตนนั้นเป็นผู้มีบุญแหละถึงได้เกิดมาในตระกูลเศรษฐี อ, อย่างนี้แล้วตนก็ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดเลยเมื่อมาตรวจดูกายวาจาใจของตนอย่างว่านี้แล้ว ก็เห็นแต่ความบริสุทธิ์ปราศจากบาปโทษมนทินดังนั้นจึงได้มีจิตใจเบิกบานผ่องใสเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่ายศกุลบุตรมีจิตใจผ่องใสอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยดีแล้วจึงได้ทรงแสดงธรรมขั้นสูงขึ้นไปกัว่านั้นเพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้มีความรู้ความคิดความเห็น เลื่อนขั้นขึ้นไป <c oughs> ก็ได้แสดงโทษแห่งกามคุณให้ยศกุณบุตรฟังโดยทรงยุอุปมาอุปมามาว่ากามทางหลายนั่นเหมือนอย่างร่างของสัตว์ที่ตายแล้วบรรดาพวกแรงก็ดีกาก็ดีสุ น, นักกิ่งจอกก็ดียื้อแย่งกันกิน ตัวไหนมีกำลังมากตัวนั้นก็ได้กินมากตัวไหนมีกำลังน้อยก็ได้กินน้อยแต่กลัวว่าจะได้กินนั้นก็ต้องต่อสู้กันอย่างสุดเวียงแสนทุกแสนยากแสนลำบากอันนี้ฉันใดผู้บริโภคกามทั้งหลายก็เป็นเช่นกันกันกบซากศพที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายยื้อแย่งกันกินนั้นเองนะอันนี้ก็นว่าเป็นความจริงเหลือเกินอันนี้ก็ดี ดังที่เราคงรู้คงได้ยินได้ฟังกันมาแหละไอ้เรื่องเบียดเบียนกันฆ่ากันตายอยู่ในโลกอันนี้มันก็ล้วนตั้งแต่แย่งกามมาคุณกันนี้เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใด <c oughs> แล้วกามทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างหอกดาบแหลนเหลาคอยแต่จะทิ่มแทง ให้เจ็บปวดปวดเล่าทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นกามทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างเขียงหั่นชิ้นเนื้อธรรมดาเขียงนี่มีแต่สึกหลอเลื่อยไปไม่มีหรอกมันจะงอกขึ้นมาอีกอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันเนี่ยผู้บริโภคการทั้งหลายนี่ก็มีตั้งแต่เสื่อมลงไปเลยทั้งร่างกายก็ทุดโทรมลงไป ทางกิจใจก็เสื่อมไปจากคุณความดีผู้มัวเมาในกรมมคุณนะเสื่อมไปจากบุญจากกุศลเป็นอย่างนั้นกรามทั้งหลายเปรียบเหมือนอย่างต้นไม้ที่มีผลธรรมดาต้นไม้ที่มีผลนี่นอกจากพวกนกพวกสัตว์ต่างๆมากินกันแล้วหมู่มนุษย์ก็ออกไป ไปตัดไปรานกิ่งก้านของมันลงเพื่อจะเอาผลมันมาบริโภคก็ต้องได้ถูกรบกวนนะต้นไม้ที่มีผลนะั่นนะฉันใดบุคคลผู้ยินดีในกามคุณทั้งหลายเมื่อได้รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนั้นมาแล้วเอาก็มีผู้อยากจะมายื้อแย่งเอาไปอยู่อย่างนั้นแหละ ต้องได้รักษาต้องได้กังวลห่วงใงกันอยู่นั่นนะ่ะมีเงินมีทองเข้าของมาแล้วยิ่งมีคนพยายามที่จะมายื้อแย่งเอาไปถ้ามีเมียสวยๆงามๆยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งเป็นเวรดีไม่ดีเขาฆ่าตัวตายซ้ำเลยอันนี้ก็มีอยู่ทมไป นี่แหละเพราะฉะนั้นพระองค์เท่าจึงได้เปรียบกามคุณไว้เหมือน ก, นกันกับต้นไม้ที่มีผลทรงเปรียบว่ากามทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนอย่างหลุมมุดหลุมคูดเมื่อบุคคลใดตกลงไปในหลุมมุดหลุมคูดนั้นแล้วก็มีตั้งแต่อัพยพอดสูได้รับแต่ความไม่สบายใจเลย เพราะว่ามันสกโปกโสม ม, มีกลิ่นก็อเหม็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละทรงเปรียบการทั้งหลายเหมือนกับยืมของสิ่งของของคน อ, อ, อื่นมาเมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องส่งคืนเขาอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นหละบรรดารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใข้พอใจต่งตางๆตนได้มาครอบครอง อยู่ไปไปถึงเวลาแล้วมันก็ต้องแตกดับทําลายไปก็เท่ากับว่าเป็นของยืมเขามาใช้ชั่วคราวนั้นเองเนี่ย <c oughs> อันนี้แหละวันดาว่าโทษแห่งกรรมคุณทั้งหลายที่พระบรมศาสตร์สดาได้ทรงแสดงให้พุทธทบริสัททั้งหลายฟังไว้อ่ เมื่อยศคุณระบุได้ฟังโพธแห่งกามคุณนี่แล้วก็มีจิตใจเบื่อหน่ายในกามทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นจิตของยศคุณระบุเบื่อหน่ายในกามทั้งหลายอย่างนั้นแล้วก็จึงได้ทรงแสดงอนิสง์แห่งการออกจากกามว่าบุคคลเมื่อหากว่ามีจิตใจ ไม่ฝักใฝ่ในกามทั้งหลายแล้วก็ย่อมถึงซึ่งความสงบระงับมีจิตใจบอกเบิกบานผ่องแผ้วทั้งมีสติมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จักประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเ <c oughs> มื่อยศุลบุตรได้ฟัง เช่นนั้นแล้วจิตใจก็คลายจากกามคุณกามตัญหาทั้งหลายออกไปมีใจสงบระงับเป็นอย่างดีต่อจากนั้นพระพุทธภาเจ่าจึงได้ทรงแสดงอริยสัจเจะธรรมทั้งสี่ให้ยศคุณระบุฟัง <c oughs> เมื่อยศคุณบะบุได้ฟัง อริยสัจเจธรรมทั้งสี่นั้นจบลงก็จึงได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสสนานี้ใจความในอริยสัจเจธรรมทั้งสี่นั้นพระองค์ก็ทรงยกทุกนี่แหละขึ้นมาแสดงก่อนเพราะว่าทุกนี้มันมาปามันปรากฏอยู่ชัดๆอยู่แล้วใครๆก็ย่อมมองเห็นได้ เช่นอย่างทุกอันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้นะแม้ว่าทนจะยังหนุ่มแน่นอยู่ก็ตามแต่คนที่เกิดก่อนตัวเองนะั่นเพื่อนก็แก่ก็เจ็บก็ตายมาให้เห็นเป็นสักขีพยานอยู่แล้วแม้ตัวของตัวเองนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อหากวีเมื่อหากมีชีวิตยืนยาวนานอยู่ต่อไป ก็จะต้องถูกความแก่ความเจ็บความตายนี้ครอบงําเช่นเดียวกันเมื่อยศุลระบุตรได้ฟังเรื่องของความทุกข์ความพัดผ้าจากของรักของชอบใจความป่าเถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สมหวังความได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่น่ารักน่าพอใจต่างๆวันนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลย ก็จึงได้เกิดความเบื่อหน่ายในสังขาร น, นามรูปอันนี้นั่นแหละแล้วเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าทุกนี้มันเป็นของมีจริงอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้เลยไม่ใช่มีอยู่ในอดีตอนาคตอะไรทุกมีอยู่ในปัจจุบันดูอัตภาพร่างกายนี้ก็แล้วกันมันสุดโสมไปอยู่เลื่อยไปอยู่อย่างนี้แหละ ในที่สุดมันก็จะหมุนไปหาความแตกดับเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนในนี้ภาษาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าเมื่อบุคคลมาเห็นทุกเบื่อหน่ายในทุกข์ดังกล่าวมานี่แล้วปาธนาจะพ้นจากทุกเหล่านี้นั้นก็ต้องเป็นผู้มาละตัณหาเสียตัณหาหมายถึงความอยากความทะเยอทยานอยาก ความพอใจในกา ร, รมคุณทั้งหลายนั่นแหละความติดความผูกพันอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆมูนี <c oughs> กระล้วนตั้งแต่เป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเมื่อมันเกิดความพอใจขึ้นแล้วมันก็ยึดถือเอาไว้ เมื่อมันยึดถือไว้แล้วมันก็เป็นเหตุให้แสวงหาการแสวงหานั่นบางทีเมื่อแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องแสวงหาเอาในทางสุจริตนี่เพราะว่ามันกลายเป็นความโลภเข้าไปแล้วแบบนี้นะเมื่อมันอยากได้มากๆขึ้นไปก็เลยกลายเป็นความโลภเล่งเพ่งเลงเห็นคนอื่นเขาล่ำเขารวยเขาได้อะไรมา ตามประสงค์อย่างนั้นอา้าวตนก็ไปวางแผนยื้อแย่งเอามาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเข้าไปอย่างนี้แหละมันก็เป็นเหตุให้เกิดบาปอากุศลขึ้นมาบาปอากุศลเหล่านี้แหละอำนวยผลให้บุคคลผู้กระทาเช่นนั้นนะเป็นทุกข์ไปในทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้านี่เพราะฉะนั้นแหละพระศาสดายิ่งทรงสอนให้ละตัณหานั่นแหละ ความอยากความดินน้นรนทะเยอทะยานเกินขอบเขตอันนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าว่าพูดถึงตัณหาชั้นละเอียดแล้วเมื่อมาเห็นโทษแห่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันจัดว่าเป็นกราร ม, มาตัณหานี่แล้วก็ไม่ผูกพันอยู่ในรูปเสียงเป็นต้นดังกล่าวมานี่ แต่มันก็ยังมาติดอยู่ในรูปกายอยู่ในขันห้านี้อยังไม่สามารถจะปรงจะวางขันห่านี้ได้แต่ถ้าหากว่าหมดอายุสังขารลงท่านก็ว่าไปเกิดในพรหมโลกเป็นรูปกประพร ม, มเพราะเป็นผู้ระงับการ ม, มาวิตตกเสียได้มีจิตใจสงบอยู่ในฌานเพ่งรูป้เป็นอารมณ์อยู่ อย่างนี้เลอันนี้สงอันนี้พาให้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหมที่มีรูปแต่อย่างนั้นกิ่านเีกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นเมื่อบุคคลภาวนาประเด้งเพ่งรูปนี้อยู่ก็มะเบือนายในรูปนี้แต่เบื่อนายหากไม่มีปัญญาที่จะสอนจิตให้ปล่อยให้วางได้ อาศัยแต่การเพ่งอย่างเดียวเพ่งเพื่อให้รูปอันนี้มันหายไปจากดวงจิตเมื่อเพ่งนานๆเข้ารูปนี้ก็หายไปจากดวงจิตจริงๆ จ, จิตนี้ปรากฏว่างเลยบบบนี้น ะ, อ, ะอันนี้ว่างเมื่อจิตว่างลงไปแล้วก็ยึดความว่างนั้นเป็นอารมณ์ไปแบบนีนะ้ท่านเรียกว่าอารุปรชาน เนวสัญญานาสัญญาญตนะอากินัญญายตนะนั่นแหละโมนีนั่นเป็นอรูปฌานเมื่อหมดอายุสังขารลงก็ไปเกิดเป็นพรมที่ไม่มีรูปท่านเรียกว่าอารูปป ร, รมอันโมนีล้วนแต่เป็นตันหาทั้งนั้นเลยแต่เป็นตันหาชั้นละเอียดเพราะฉะนั้นผู้จเจริญสมถวิปัสนาแล้วท่านจะไม่ถือมั่น ในสมาธิในฌานเหล่านี้ไว้จะต้องเจริญวิปปัตนาทำความรู้เท่าฌานรูปฌานอรูปฌานเหล่านี้เสมอแล้วก็เจริญวิปปัตนาเพ่งพิจารณาในอริยสัจธรรมทั้งสี่ดังกล่าวมานั่นแหละเมื่อเห็นว่าบุคคลมาดับตัณหาทั้งหลายเหล่านี้ได้แล้ว ทุ ก, ก็ยอมดับไปหมดท่านก็เจริญปัญญาสอนจิตนี้ให้ละตัณหาอันนี้ไปเรื่อยๆอมเมื่อตัณหาเหล่านี้ดับทุกทางใจมันก็ดับตรงก็เห็นที่ดับทุกได้มาดับตรงไหนดับทุกดับที่ใจนั่นนะเมื่อใจละตัณหาลงไปอย่างสนิทสนมแล้วทุกทางใจมันก็ดับตรงอ โดยการดับทุกข์ไม่ไม่ได้ไปดับที่อื่นหรอกดับที่จิตดวงเดียวนั้นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วการที่เราบําเพ็ญข้อวัดปฏิบัติมาเส้นอย่างท่าเพนทายุกทา ย, ยิกาก็ได้ให้ทานได้รักษาศีลได้ฟังธรรมได้ไหวพระนั่งสมาธิภาวนามาจนตลอดถึงมาได้เจริญสมัมมาวิพั์ภนาอย่างว่านี้เนี่ อันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นแนวทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อได้บำเพ็ญกุศลดังกล่าวมานี่เมื่อรวมกำลังแห่งบุญกุศลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ภายในจิตใจแล้วใจก็มีกำลังเข้มแข็งสามารถที่จะกาหนดละตัณหาดังกล่าวมานั้นได้นี่แหละท่านยึงเรียกว่ามรคคือข้อปฏิบัติ มักอันมีองแปดนั่นแหะคือเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกทางใจได้จริงๆแต่ถ้าหากว่ามันดับทุกได้พอมทั้งเหตุทั้งปัจจัยจริงๆแล้วอย่างนี้มันก็จะเกิดงานความรู้ขึ้นมาเกิดงานความรู้ขึ้นว่ากิเลสเหล่านี้ตนได้ละมันขาดไปแล้วอย่างนี้นะก็รู้ชัด เห็นแจ้งด้วยประจักษ์ด้วยตนเองได้อย่างนี้แหละขึ้นชื่อว่าทมของจริงแล้วไม่มีใครมารู้ให้ได้ใครทำใครย่อมรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละ <c oughs> เมื่อพุทธบริษัทได้สดับตรับฟังอนุภูมิกถาดังที่แสดงให้ฟังมาโดยสังเขป โดยลำดับนี้แล้วก็เพิ่งพาคันทินิตพิจารณาจดจํำแล้วน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทถ้าเมื่อลงมือปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทแล้วก็ต้องได้รับอานิสงสาบผลอย่างแน่นอนทีเดียว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในปัจจุบันในชาตินี้ก็จะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามตนไปเป็นอย่างนั้นแต่ในสมัยขั้งพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าพระองค์พิจารณาดูคนที่มานั่งอยู่ต่อพระพักของพระองค์เหล่านั้น ไม่มีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุมรคผลธรรมวิเศษแล้วพระองค์จักไม่แสดงอนุภุพกถาห้าประการนี้ในสมาคมนั้นเลยพระองค์จะแสดงรมไปอย่างอื่นเป็นการอบรมบ่มอินทรีย์ของผู้ฟังทั้งหลายให้แก่กล้าไปโดยลำดับเช่นอย่างทรงสแสดงเรื่องธรรมสังเวทอย่างนี้แหละอย่างเช่น ควรพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลยเราจะพลัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเราทำกรรมบันไดไว้ดีก็ดีชั่วก็ดีก็จะได้รับผลของกรรมอันนั้นสืบไปการที่พระองค์เจ้าทรงสแสดงธรรมสังเวชอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายนั่นเอง ได้พิจารณาถึงตัวเองแล้วให้เกิดความสังเวชสลดใจในการที่ตนได้มาอาศัยอยู่ในสังขารอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี้เต็มไปด้วยทุกข์ทนทรมานต่างๆนี่แล้วเบื่อหน่ายในการที่จะมารักมาใคร่มาผูกพันกับของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านี้เพราะว่าไปรักใคร่กับสิ่งอันไม่เที่ยงเช่นนั้น เมื่อเวลามันแปลปวนวันไหวไปแตกดับไปก็เป็นทุกข์เป็นโศกเพราะอะไรมากดังนั้นแหละ